นายสมชายยกสำรับลงมาข้างล่างนายขุนทองกำลังจะตามลงมาก็พอดีกับท่านพระครูถามขึ้นว่างานสวดศพเจนวนสีเรียบร้อยดีใช่ไหมเขาเคลื่อนศพมาถึงวัดตอนกี่โมงไม่มีศพใครมาเลยนี่ฮะหลวงลุ ง, ลงเพราะมหาบุญท่านก็ยังสงสัยว่าทำไมถึงไม่เป็นไปตามที่หลวงลุ ง, ลงสั่งเอาไว้ล้านชายรายงาน ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าลูกหลานเขาคงจะเปลี่ยนใจไม่เอามาไว้วัดนี้กระ ม, มังที่จริงรับปากคนตายไว้แล้วไม่น่าจะเสียคำพูดท่านตำหนิไ ก, กลๆตำหนิคนเป็นลูกหลานของเจ้นนสีเขาคงคิดว่าตายไปแล้วคงไม่รู้มังหอนี่ถ้าเป็นหนูจะกลับมาหักคอให้ตายทั้งขยงเลยโทษฐานที่ขัดคาสั่ง หนุ่มวัยยบเอกบเคี้ยวเคี้ยวฟันพูดเอาเถอะเอาเถอะลงไปกินข้าวได้แล้วกินเสร็จช่วยไปตามแม่หนูคนนั้นมาพบข่าหน่อยคนที่เอ็งพาไปฝากไว้ที่โรงครัวนะ่ะท่านออกคำสั่งหนึ่งเตยนนะรือห้อหลงลงุงเห็นพวกแม่ครัวก็พูดกันว่าสงสัยมันเจท็ททองเพราะอา จ, จินอกอกทุกเช้าเอ็งเพิ่งรู้หรือ ข้ารู้มาตั้งนานแล้วท่านพระครูว่าแต่หนูว่าหนูรู้ก่อนลุ ง, ลงอีกเนาะหลานชายไม่ยอมแพ้ถ้าเองรู้จริงก็บอกข้ามาสิว่าเขาท้องได้กี่เดือนแล้วสอมดือนหอ่อชายหนุ่มตอบค่อนข้างมั่นใจนั่นแสดงว่าเองรู้ไม่จริงถ้ารู้จริงต้องตอบว่า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 ทำไมเองช้านักวะก็ไหนว่าหิวไงลูกศิษย์วัดตอบว่าเพราะลงมารอค่อนข้างนานก็หลงลุงนะสิทำโน่นทำนี่หยุดได้เขายนความผิดไปให้ท่านเจ้าของกุฏิท่านถามอะไรเองก็ตอบต อ, บตอบไปซึ่งก็หมดเรื่องข้าว่ามวแต่ตอเลาะตอเทียงท่านอยู่นะสิรู้นิสัยเองหรอกน้าคนมากไวกว่าพูดดักคอเอาเอะเอาเหะ ห, หนูหิวแล้ว กินข้าวกันดีกว่าอิ่มแล้วค่อยเถียงกันใหม่นายขุนทองพูดตัดบทแล้วคนทั้งสองก็ก้มหน้าก้มตารับประทานอาหารโดยไม่พูดไม่จานายสมชายคิดว่าอิ่มแล้วจะขอ ง, งีบสักพักใหญ่ๆแล้วก็จะตื่นขึ้นมาล้างรถแดดร่มลมตกจึงจะขี่จักรยานคู่ชีพไปบ้านเหนือขืนไปแต่วันก็อายชาวบ้านร้านถิ่นเขาจะต้องถูกครหาว่า มานั่งเฝ้าสาวจนไม่เป็นอันธรรมหากินพวกชาวบ้านเขาจ้องจะนินทาอยู่แล้วถึงไม่เคยไปทำอะไรให้เขาต้องเดือดร้อนํำคัญใจก็มีสิทธิ์ถูกนินทาได้อิมมีพีมันกันแล้วนายขุนทองก็ออกคําสั่งพี่ช่วยเก็บสำรับลังด้วยหนูจะไปตามนางเตยมาพบหลวงลุ ง, ลงเอ็งก็ล้างก่อนสิแล้วค่อยไปข้า ง, ง่วงเมื่อคืนกลับดึก แล้จึงต้องมาปิดประตูแทนเองอีกเขาถือโอกาสทวงบุญคุณงั้นพี่ไปตามนางเตยมันแทนหนูได้มินละค้นอ่อนไวกว่าต่อรองข้าจะไปก็ได้แต่มันน่าเกลียดเพราะข้ามันเป็นผู้ชายเองไปน่ะดีแล้วผู้หญิงเหมือนกันค่อยพูดกันรู้เรื่องประโยคหลังถูกใจในคนทองนักเขาจึงเก็บสำรับไปกองรวมไว้หลังกุฏิและเดินไปตามนางสาวเตย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 หมอสั่งให้พักผ่อนมากๆท่านก็ไม่ค่อยจะปฏิบัติตามคําสั่งของหมอครั้นถูกหมอต่อว่าท่านก็ออกตัวว่าอัตมากลัวจะมีโรคแทรกเมื่อหมอถามว่าท่านกลัวโรคอะไรแทรกท่านก็ตอบว่าโรคเกียรคร้านถ้าอัตมาขืนนอนกลางวันรับรองว่าต้องถูกโรคเกียรคร้านแทรกหมอก็เลยต้องยอมจำนนต่อเหตุผลของท่าน แล้วท่านก็คงจะเกรงใจหมอเพราะนานๆจึงจะอาภาสักทีและหากอาการไม่หนักหนาะสาหัสจริงๆแล้วก็จะไม่ให้หมอได้รู้เป็นอันขาดนายขุนทองเดินไปตามนางสาวเตยที่โรงครัวถ้าหากไม่พบก็ว่าจะลองถามพวกแม่ครัวเขาดูบังเอิญได้ยินเสียงโอกอากอยู่ทางด้านหลังจึงเดินไปอย่างที่มาของเสียงเตย หลวงลุงให้มาตามเอ็งไปพบเขาบอกขณะที่ฝ่ายนั้นก่งคออาเจียนเอาอาเจียนเอาตกลงท่านจะให้หนูบวชหรือเปล่าพี่ขุนทองรู้ไหมนางสาวเตยถามเมื่อหยุดอาเจียนแล้วกูเอ็งท้องไม่ใช่เหรอคนท้องเขาบวชกันซึ่งที่ไหนล่ะใครว่าหนูท้องหนูเป็นโรค ก, กระเพาะตั้งหา คนท้องสี่เดือนยังไม่ยอมรับความจริงเอ็งจะปิดไปทำไมกันวะอีกหน่อยท้องมันก็ป่องออกมาฟ้องเองว่าแต่ว่าเอ็งท้องได้กี่เดือนแล้วคนถามมองดูท้องของอีกฝ่ายซึ่งนูนขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นสามเดือนจะ้ะนางสาวเตยตอบว่าแต่ว่าพี่อย่าบอกหลวงพ่อนะไงไงหนูขอบวชสักเดือนสองเดือนพอท้องมันโตค่อยสึก หล่อนพูดเอาแต่ได้เค้ไม่โอกควดเห็นดีกว่าเอ็งไปคุยกับหลุงลุงเอาเองก็แล้วกันแต่ท่านรู้ว่าเอ็งท้องนะท่านว่าเอ็งท้องได้สี่เดือนแต่ข้าว่าเอ็งท้องสามเดือนข้าชนะท่านแล้วนายขุนทองคิดว่าจะต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงกับท่านในที่สุดเขาก็ชนะท่านจนได้ก็น่งเตยมันว่ามันท้องสามเดือนนี่นา ท่านรู้ได้ยังไงล่ะพี่หรือพวกแม่ครัวแอบไปบอกถ้าเป็นอย่างนั้นหรือจะด่าให้เปิงเชียละ่ะคนจะบททีแสดงอาการเกลี้ยกร่อไม่มีใครบอกท่านหรอกท่านรู้เองเองไม่รู้อะไรหลงลงท่านตาทิพนะสามารถเห็นอะไรๆที่คนธรรมดาธรรมดาไม่เห็นเอาเหอะอย่ามวดชักช้าร่าไรเดี๋ยวท่านจะรอไปกันเดี๋ยวนี้แหละ พูดจบก็เดินนำนางสาวเตยมาที่กุฏิท่านพระครูลงมานั่งรอที่อาสนะแล้วเมื่อไปถึงหล่อนกราบสามครั้งแล้วตั้งคำถามเตกลงหลวงพ่อใจะให้หนูบวชเมื่อไรคะหนูอย่าพูดเอาแต่ได้ยังงั้นสิคิดให้ยาวๆหน่อยหนูไม่กลัวว่าจะทำให้เสียชื่อวัดหรือไงถ้าหนูมาคนเดียว หลวงพ่อจะให้บวชแต่มาสองคนบวชไม่ได้หนูก็มาคนเดียวนี่คะลันเถียงสองสิหนูในท้องอีกคนไงหนูท้องไม่ใช่หรือแล้วก็ไม่ต้องไปด่าแม่ครัวเขาหรอกนะเขาไม่ได้มาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อรู้เองที่หนูคุยกับเจ้าขุนทองเมื่อกี้ ลุงพ่อก็ได้ยินหมดแล้วจะให้บอกไหมละ ว, ว่าพูดอะไรกันบ้างนายขุนทองยังไม่ได้ลุกออกไปล้างชามจึงถือโอกาสอวดสรรพคุณของตนเองว่าลุงลุงแพนหนุนแล้วเขาท้องได้สามเดือนจริงๆนี่นแหละลุงลุงหาว่าสี่เดือนท่านพระครูจึงพูดกับนางสาวเตยผู้ซึ่งเริ่มร้องไห้กระสิกกระสิกอยู่ต่อหน้าท่านว่า ไงจ้ะแม่หนูท้องสี่เดือนทำไมถึงว่าสามเดือนนี่ขนาดหลวงพ่อไม่ได้ท้องเองยังรู้เลยแล้วทำไมตัวหนูไม่รู้ล่ะจ๊ะนางสาวเตยจึงต้องคิดทบทวนเหตุการณ์ตั้งแต่ได้เสียกับไอ้หนุ่มเพื่อนบ้านกระทั่งรอบเดือนขาดไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าหลวงพ่อท่านพูดถูก รอบเดือนของหล่อนหายไปสี่ครั้งก็แปลว่าหล่อนต้องท้องสี่เดือนทำไมหลวงพ่อท่านถึงได้รู้อะไรอะไรได้มากมายนะักสงสัยคงเป็นผู้วิเศษแบบนี้ต้องเป็นผู้วิเศษแน่ๆหล่อนคิดหลวงพ่อไม่ใช่ผู้วิเศษหรอกนูอย่าคิดไปไกลขนาดนั้นนางสาวเตยยิ่งประหลาดใจมากขึ้น เมื่อท่านรู้แม้กระทั่งว่าหล่อนคิดอะไรเช่นนี้ก็ป่วยการที่จะโกหกท่านจึงพูดทางน้ำตาว่าหลวงพ่อคะหนูกลุ้มใจไอคนที่มันทำหนูท้องมันไม่ยอมรับเป็นพ่อของลูกในท้องค่ะหล่อนเล่าความจริงหนูอยากให้เขารับใช่ไหมค่ะไม่งั้นหนูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ใครรู้เข้าหนูคองอกแตกตายแน่โดยเฉพาะพ่อกับแม่หนูแล้วหล่อนก็ร้องไห้สะอกสะอื่นคิดเคียดแ ค, ดค้นถิ่งช่งเจ้าหนุ่มเพื่อนบ้านที่เป็นพ่อเด็กในท้องเอาเถอะหยุดร้องไห้ได้แล้วลุงพ่อมีวิธีที่จะทำให้คนรักของหนูเข้ามาแต่งงานกับหนูแต่หนู จะต้องไม่บวชทีตกลงไหมจริงหรือคะหลวงพ่อถามอย่างยินดีหล่อนเชื่อว่าท่านต้องทำได้เพราะท่านเป็นผู้วิเศษจริงหรือไม่จริงก็ต้องคอยดูกันแต่หลวงพ่อก็ขอบอกไว้ก่อนว่ายังไงยังไงก็อนุญาตให้หนูบวชทีไม่ได้ หนูไม่บวชแล้วค่ะท่านหลวงพ่อทำให้หนูได้แต่งงานกับเขาหนูไม่บวชค่ะนึกว่าช่วยหนูเอาบุญเถอะนะคะหนูหมดที่พึ่งแล้วครั้งแรกคิดจะฆ่าตัวตายแต่ใจไม่ถึงคนท้องสารภาพอยาดเทียนั่นหนูอย่าได้ฆ่าตัวตายเป็นอันขาดคนที่ฆ่าตัวตายต้องตกนรกถึงห้าร้อยชาติ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 เป็นชาติสุดท้ายแล้วหลวงพ่อไม่ช่วยเขาหรือคะช่วยแม่เขาฆ่าตัวตายนะคะช่วยสินหนูหลวงพ่อก็พยายามจนสุดความสามารถแต่พ่อกับแม่เขาไม่ร่วมมือด้วยในที่สุดเขาก็เลยผูกคอตายแต่ก็ตายอย่างมีสตินะเพราะเขารู้ว่าจะต้องชดใช้กรรม ทำไมพ่อแม่เขาไม่ให้ความร่วมมือกับหลวงพ่อล่ะคะหรือว่าเป็นตาสีตาสาไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ใช่ตาสีตาสาหรอกพ่อเขาเป็นนายตารวจส่วนแม่เขาเป็นครูประชาบานแต่เขาไม่เชื่อที่หลวงพ่อบอกพอลูกสาวตายพากันมาร้องห่มร้องไห้ที่กุฏินี่ทั้งผัวทั้งเมียเลย บอกรู้อย่างงี้เชื่อหลวงพ่อก็ดีหรอกหลวงพ่อก็เลยตอบไปว่ามาเชื่อเอาตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะถึงยังไงลูกสาวก็ไม่ฟื้นคืนชีพมาอีกแล้วแม่หนูคนนี้ก่อนตายเขาก็สร้างบ้านให้พ่อแม่หลังใหญ่เชี่ยวสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตอนสร้าง ใช้เงินไม่กี่หมื่นแต่ตอนนี้ราคาหลายแสนแล้วเขาต้องไปตกนรกอีกไหมคะไม่ตกแล้วหนูก่อนตายเขาก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วนั่งกรรมฐานพ่อกับแม่ก็ไปทำงานแต่เช้าก่อนไปเห็นลูกสาวนั่งสวดมนต์อยู่ในห้องพระ ก็ไม่ได้สังหรณ์ใจตกเย็นเลิกงานมาก็ยังเห็นลูกสาวนั่งอยู่ในห้องพระจึงเข้าไปเรียกคิดว่าเอวันนี้อีหนูนั่งกรรมาฐานนานจังปรากฏว่าเรียกเท่าไหร่ลูกสาวก็ไม่ยอมลืมตาเลยเข้าไปจับตัวดูจึงรู้ว่าตายเพราะ ตัวเย็นชืดเลยก็หนายหลวงพ่อบอกว่าเขาผูกคอตายไงคะก็ผูกคอตายนะสิคือเขานั่งอยู่ในห้องพระแต่ก็ใช้ผ้าสบายเฉียงพันรอบคอเอาไว้ก็พันหลุวมๆนี่แหละคือผูกคอตายพอเป็นพิ ธ, ธีว่างั้นเถอะพวกชาวบ้านใกล้เคียง เขาเล่าให้พ่อแม่ของหนูคนนี้ฟังว่าเขาเห็นคนแต่งชุดขาวเดินกันให้ขวักไข่ไปหมดยังคิดว่าที่บ้านมีงานหนูรู้ไหมที่ชาวบ้านเขาเห็นนั้นก็คือพวกเทวดาแสดงว่าเทวดามารับเอาไปแบบนี้ก็ไปสวรรค์สิคะ ผูกแล้วถ้าไปนรกย ม, มาบาลจะมารับคนอื่นจะไม่เห็นแต่คนที่กำลังจะตายเขาจะเห็นคือเห็นย ม, มาบาลนนะ่ะแม่งั้นหนูก็โชคดีนะคะที่ไม่ได้ค่าตัวตายยิ่งกว่านั้นยังมาพบหลวงพ่อผู้เปี่ยมด้วยเมตตาอีกไม่ต้องยอหลวงพ่อหรอกหนู ไงๆหลวงพ่อก็ต้องช่วยหนูอยู่แล้วแต่ที่สําคัญที่สุดหนูต้องช่วยตัวเองด้วยต้องเพียรพยายามให้มากที่สุดแล้วหนูจะประสบความสําเร็จอย่าลืมนะหนูพระพุทธองค์ส่งสอนไว้ว่าบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรหญิงสาวคิดว่าท่านพระครูคงจะช่วยหล่อนด้วยการทําเสนอให้คนรัก กลับมาหาจึงถามวิธีการที่ตนจะต้องปฏิบัติและหนูจะต้องทำอะไรบ้างคะหลวงพ่อและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่หนูก็ต้องทำตามที่หลวงพ่อแนะนำอย่างเคร่งครัดส่วนค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียอะไรเลยแถมที่อยู่ที่กินก็ฟรีอีกด้วยอย่าคิดว่าหลวงพ่อจะทำเสน่ห์ให้นะหนู เรื่องสนเสน่ห์เลขกนลุงพ่อไม่ถนัดแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางที่จะแก้ปัญหาพวกที่ไปพึ่งหมอสนเสน่ห์มักจะถูกหลอกกันเสียมากบางคนถึงกับเสียเนื้อเสียตัวให้แล้วพวกหมอสนเสน่ห์บาปไหมคะบาปสิหนูก็เขาทุกมาขอพึ่งแล้วยังจะทำให้เขาทุกหนักขึ้นไปอีก พวกนี้ตายไปต้องตกนรกแล้ววิธีการของหลวงพ่อทำอยังไงคะวิธีของหลวงพ่อนั้นต้องใช้ปัญญาแก้ปัญหาคนที่มีปัญหาจะต้องมาเข้ากรรมฐานฝึกจิตให้สงบเมื่อจิตสงบปัญญาก็เกิดก็ใช้ปัญญานั้นแก้ปัญหาได้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 ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของตัวเราหลวงพ่อช่วยได้เพียงให้คำแนะนำเท่านั้นส่วนเรื่องปฏิบัติหนูต้องทำเองหลวงพ่อจะเปรียบเทียบให้หนูเห็นง่ายๆคือเวลานี้หนูเปรียบเสมือนคนไข้ที่มาให้หลวงพ่อรักษาหลวงพ่อเป็นหมอตรวจดูอาการแล้วก็รู้ว่า หนูเป็นโรคอะไรจะต้องให้ยาอะไรไปรับประทานจึงจะหายเมื่อหมอเขาให้ยาแล้วหน้าที่ของหนูก็คือต้องกินยาตามที่หมอแนะนำถ้าหนูไม่กินยาโรคไม่หายหมอเขาจะกินยาแทนหนูก็ไม่ได้จริงไหมจริงค่ะถ้าอย่างนั้น หนูขอเข้ากรรมฐ า, านวันนี้เลยนะคะหญิงสาวพูดอย่างปิติรู้สึกว่าความทุกข์ที่สุมแน่นอยู่ในอกนั้นถูกขจัดออกไปตั้งครึ่งตั้งค่อนไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาพบพระใจดีมีเมตตาเช่นหลวงพ่อองค์นี้คงเป็นบุญของหล่อนและลูกในท้องนั่นเองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้เจ้าขุนทองพาไปอยู่สำนักที ตอนเย็นให้หัวหน้าแม่ทีเขาพามาขึ้นกรรมฐานปกติคนมาเข้ากรรมฐานลุงพ่อจะให้รับศีลแปดแต่สำหรับหนูลุงพ่ออนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษคือให้รับแค่ศีลห้าจะได้ไม่กระทบกระเทือนลูกในท้องตอนเย็น หนูก็ไปทานอาหารที่โรงครัวได้แล้วกี่วันถึงจะได้ผลคะหลวงพ่อหล่อนถามท่านพระครูอยากให้หล่อนสบายใจจึงตอบไปตามที่เห็นหนอรายงานอีกสิบห้าวันหนูจำไว้เลยนะกลับไปจดไว้ก็ได้วันนี้วันที่สิบแปดกุมภาพันธ์ใช่ไหมนับ ต่อไปอีกสิบห้าวันสิถึงวันที่เท่าไหร่หญิงสาวนับนิ้วมือขยุกขยิกอยู่นานหากก็ไม่สามารถตอบท่านได้เพราะไม่รู้ว่าปีนี้เดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันนายขุนทองผู้ซึ่งยอมรับว่าเป็นผู้แพ้และนั่งฟังอยู่อย่างสงบเสงี่ยมจึงลุกขึ้นไปเปิดดูปฏิทินที่แขวนอยู่ข้างฝาวันที่สี่มีนาคมหาะหลงลงุง เขาบอกวันที่ห้าตังหากข้าบอกให้นับต่อไปอีกสิบห้าวันก็แปลว่าวันนี้ไม่ต้องนับท่านพระครูพูดเรียบๆหากนายกุลทองก็รู้สึกว่าวันนี้เขาพ่ายแพ้ท่านเป็นคำรบสองแล้วครั้นจะลุกออกไปล้างชามก็เกรงจะถูกดุให้ต้องขายหน้าอีกเพราะท่านเคยกำชับไว้ว่า หากมีสตรีเพศมานั่งคุยกับท่านเขาจะต้องนั่งเป็นสกีพยานจนกว่าผู้นั้นจะลากลับไปเอาละแม่หนูจำไว้นะว่าวันที่ห้ามีนาคมคนรักของหนูเขาจะมารับหนูที่นี่มารับไปแต่งงานเอาละไปได้ขุนทองพาแม่หนูไปฝากที่สำนักที แล้วตอนเย็นให้แม่ทีพามาขึ้นกรรมฐ า, านด้วยท่านสั่งนายขุนทองหญิงสาวกราบท่านสามครั้งแล้วจึงลุกตามนายขุนทองออกไปพี่ขุนทองประเดี๋ยวหนูต้องไปเอาเสื้อผ้าที่โรงครัวก่อนลอนบอกเมื่อเห็นนายขุนทองมุ่งหน้าไปทางสำนักทีเออแล้วเอ็งจะไปด่าเขาไหม ด่าใครคนพูดลืมไปแล้วก็ด่าพวกแม่ครูงไงเมื่อกี้เองบอกจะด่าให้เปิงนะ่ะตอนนี้เปลี่ยนใจหรือยังนางสาวเตยยังนึกไม่ออกจึงย้อนถามว่าทำไมหนูต้องไปด่าเขาด้วยละ่ะทำไมหลังจำไม่ได้จริงๆถูกเว้ยนายขุนทองชักมีมโ ห, โหก็ที่เองว่า เขไปบอกหลุงลุงเรื่องเอ็งท้องน่ะเมื่อกี้เอ็งบอกจะด่าให้เปิงไงข้าถามว่ายังคิดจะด่าเขาอีกหรือเปล่าเอ็งนี่คงเอาสมองหมาปัญญาควายมาแน่แน่เลยเขาว่าอ้าวไงมาด่ากันง่ายๆล่ะพี่ถึงจะปัญญาน้อยด้วยความรู้ขนาดไหนก็รู้ว่าอีกฝ่ายดา่าด่าซึ่งซึ่งหน้าเสีด้วยก็จริงมป้นละ่ะ คนด่ายังคงเถียงฉันจะโง่หรือจะฉลาดมันก็ไม่เกี่ยวกับใครเรื่องอะไรมาด่าฉันถือดีไงเหะนางสาวเตยชักโกรธจึงเปลี่ยนสรรพนามจากหนูมาเป็นฉันเปลเออ่าลึกนะเอ็งมาทำโกรธไปเลยก็ข้าถามเอ็งดีๆอยากทำไม่รู้เรื่องนี่นาเห็นหญิงสาวโกรธนายขุนทองจึงพูดกลบเกลื่อนอ๋อหนูเพิ่งนึกได้ แหมหนูมันโ ง, ง่จริงๆนั่นแหละและยังจะมาโกรธพี่อีกขอโทษด้วยนะพี่นะนางสาวเตยขอลุกแก่โทษเมนึกขึ้นได้ว่าพูดอะไรเอาไว้เออพูดอย่างนี้ค่อยรู้เรื่องกันหน่อยตกลงเอ็งหาคำตอบให้ข้าได้หรือยังละ่ะได้แล้วจ้ะหนูกำลังจะบอกพี่เดี๋ยวนี้ไงว่าหนูไม่ได่าพวกเขาแล้วเพราะพวกเขาไม่ได้เอาเรื่องของหนู ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อท่านรู้เองเพราะท่านเป็นผู้วิเศษแต่ถึงพวกเขาจะเอาไปบอกท่านหนูก็จะไม่ด่าเพราะยังต้องฝากปากฝากท้องไว้กับเขาอีกตั้งส5้าวันไปทําตัวเป็นศัตรูกับเขามันก็ไม่สมควรจริงไหมล่ะพี่จริงจริงที่สุดในโลกเบ๋เองนี่ฉลาด ร, บรอบคอบดีจริ ง, รงพๆพบผ่าสิคนที่ด่าหยุยกหยกุยกเปลี่ยนมาเป็นชม